ทานนี้มาจากที่ไหนมาจากนนท์ค่ะที่าครั้งแรกมาด้วยกันนะไม่ค่ะมาจากนนท์เหมือนกั น, นะ่ะมากันหลายคนหรือเปล่าตงมากกับสามีอะค่ ะ, อะพอดีเข่าเสียเลยไปั่งนนทมีธุระอไรหรือเปล่าก<อ>็ไม่ดี ว, ว่าหได้คือพอดีเพื่อนแนะนา ม, มาค่ะเพื่อน เขาที่เขาเรื่องมีบุตรยากอะไรเงนี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าให้ลองฟังเพลงที่นี่แล้วตอนนี้ปกกติไปแล้วเว้อเขาก็เหมแนะนำมาเลยคือ <laughs> ทําทุกธีทั้ง <laughs> ทางเลยก็คือทําใจให้สบายค่ะอ ย, อย่าไปอยากได้ใช่ก็คื อ, อบอกแนะนําให้มาฟังเพลงถ้าอยากแล้วมันก็จะเป็นอุปสรรค เ็นคนปฏิบัติธรรมอยากจะให้ใจสงบเวลาปฏิบัติแล้วอยากมันจะไม่สงบเพราะความอยากมันจะทำให้ใจเครียดขึ้นมาเหมือนเวลาอยากได้อะไรมันจะทำให้ใจเครียดแล้วมันจะไปรบกวนการทา ง, งานของร่างกายได้ดังต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ อ, อย่าพยายาก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 พัดผ้าจากกันถ้ามีเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดผ้าจากกันอันนี้ก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังในสมัยพุทธกาลก็มีแม่ได้ลูกมาคลอดลูกออกมาได้ไม่กี่วันลูกก็เสียลูกเสียก็ร้อ ง, องห่มร้องไห้อยากจะให้ลูก พื้นคืนขึ้นามากิดไม่ได้นอนไม่หลับทำอะไรไม่ได้นอนกอดลูกอยู่ทั้งวันทั้งคืนพอ่อรักลูกมากอยากจะให้ลูกคื้นชาวบ้านเห็นก็สงสารก็แนะนำอย่างนี้บอกให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะช่วยเธอได้ เธอก็เลยดีใจว่ามีมีความหวังมีคนที่จะมาช่วยลูกของเธอก็เลยอุ้มลูกุมศพของลูกนี้ไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าสามารถที่จะช่วยลูกได้ช่วยให้ลูกฟื้นคืนขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอ๋อไม่ยากหรอกง่ายนิดเดียว ขอให้เธอไปหามเลตพากามาให้สักกำมือหนึ่งแล้วเราจะช่วยทําให้ลูกเธอเฟืนขึ้นมาเธอก็ดีใจแต่พระเจ้าบอกว่าเลตพา ก, กาที่เธอไปหามานี้ต้องไปได้มาจากบ้านที่ไม่มีคนตายนะอะบ้านที่มีคนตายจะใช้ไม่ได้เธอก็เลยดีใจรีบกลับไปหมู่บ้าน ไปข้อตามบ้านของคนที่อยู่ในบุบ้านเขาบ้านที่ถามว่ามีเมฤ็ดพักการหรือเปล่าเขาบอกมีแล้วถามว่าบ้านนี้มีคนตายหรือเปล่าเขาก็บอกว่ามีมีตามียายมีป้ามีอามีนา้ามีพี่มีน้องมีคนตายไปข้อบ้านไหนก็ได้คำตอบเหมือนกัน เพาะจนเหนื่อยจนเห็นสังเห็นความจริงว่าที่ไหนก็มีความตายนั้นแหะเธอก็เลยยอมรับความจริงยอมรับว่าโลกของเธอ ก, ก็ต้องตายเหมือนกันไม่มีใครไม่ตายเพียงแต่ว่าจะตายเร็วหรือตายช้าตายก่อนหรือตายหลังออ๋อ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 ถ้าเห็นความจริงว่าร่างกายต้องตายใจก็จะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายอันนี้คือเรื่องที่นึกขึ้นมาได้เกี่ยวกับเรื่องของการอยากจะมีลูกก็ให้เล่าให้ฟังไว้เผื่อจะได้ไม่ไปทุกข์เกิดมีลูกเล้วลูกเป็นอะไรไป พอเราไม่รู้ว่าลูกที่เกิดมานี้จะอยู่ยาวหรือไม่ยาวจะพ่กลพิการจะเป็นปกติหรือไม่อาการจะครบสามสิบสองหรือเปล่าจะมีปัญหาตามมายี่งสมัยนี้เขาเขารู้เรื่องหน้าก่อนถ้าเกิดหมอบอกว่าลูกลูกลูกที่อยู่ในท้องนี่ไม่ปกติเราจะทำยังไง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 สิ่งที่ไดาจะต้องดีเหมือนกับที่เห็นฮเห็นก็เลยก็มีลูกน่ารักะก็จะคิดว่าพอได้ลูกก็จะได้ลูกน่ารักเหมือนของเขาอเราไม่เคยไปดูเยี่ยมโรงเรียนเด็กพิการหรอใช่ค่ ะ, ะไปตรงบ้านเด็กพิการซ้ําซ้อนกันค่ะแล้วก็ไปเรื่องเกี่ยวกับมูลิดิมูลอะไรพิธีเด็ก อ, อะไรนะคะ ก็ดีถ้าได้ไปดูก็ดีเป็นอยเหมือนกันเป็นอมุนแต่ก็ยังมองไม่เห็นเห็นก้อนของฝานแต่ไม่เคยน้อมย้อนกลับมาว่าถ้าเกิดเป็นรูปของเราเราจะทํำยังไงยังไม่ได้คิดถึงเกาวนะที่จริงค่ะว่าตอนคือแรกๆความอยากนี้อย่างที่ที่ท้าวจันทพูดนะค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยความอยากตรงนั้นน่ะมันลดลงละอแต่ว่าพอดีว่าคือเพื่อน่ะ ก็อยากให้มาฟังเทศอืาเขาแนะนํามาว่าเออว่าลองมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เออว่าโอเคว่าจริงๆที่เนี่ยเคยมาแล้วที่วัดญาณนักสมรอนเคยมาแล้วแต่ว่าไม่เคยพี่อยากก้มงกุก็เลยถามว่ามีด้วยหรอก็เลยคือมันก็เลยเหมือนอยู่ในหัวว่าโอเคว่าอยากลองมาก็ตั้งใจที่จะมาอยู่แล้วค่ะอค่ะแต่ว่าความอยากที่ที่ที่บอกเนี้ยคือความอยากมันมีแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงที่มันลดลงไปแล้วออก็ตอนแรกคิดว่ามีกระดาษไม้มีก็ได้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 บางทีก็มีบ้างที่แบบนึกแล้วแบบเอ๊ออยากเอออยากมีแต่ร้อมอยากของนั้นบางทีก็บางทีก็คุยกับแต่ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้เนาะไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์ดีนี้่ค่ะนั่นแหละมองอย่างนี้แล้วมันก็จะสบายใจค่ะเออได้ก็ดีใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยไม่ได้คาดหวังอันนี้พูดสัตจริงค่ะาไม่ได้คาดหวังว่าอยากจะมีคือถึงเวลาถ้าเขาอยากมาเขามาเองเอดีแล้วล่ะคิดแบบนี้ก็จะได้สบายใจ เพราะไม่มีอะไรสําคัญเท่าวกว่าความสบายใจถ้ามีแล้วไม่สบายใจหรือไม่มีแล้วไม่สบายใจมันก็มันก็เป็นปัญหางั้นเราต้องใช้ธรรมะมาสอนใจแล้วธรรมะจะสอนให้เราสบายใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีก็สบายใจไม่มีก็สบายใจถ้าเรา ถ้าเราเห็นความจริงแล้วเรารับความจริงได้คนลรงที่ไม่สบายใจกันก็ต้อะไม่เห็นความจริงหรือไม่ยอมรับความจริงกันอชอบอยู่กับความฝันฝันอยากจะได้สิ่งนั้นฝันอยากจะได้สิ่งนี้คิดว่าได้แล้วจะมีความสุข แ, แต่พอได้จริงๆกลับกลายเป็นความทุกข์ไป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 ความสุขที่ไม่ต้องได้อะไรไม่ต้องมีอะไรความสุขที่อยู่เฉยๆได้อยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรได้ความสุขแบบนี้จะเป็นความสุขที่ดีกว่าเพราะเมื่อไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียเ ม, มื่อไม่มีไม่ไม่เสียอะไรก็จะไม่เสียใจความสุขใจเนี่ยเป็นของที่เรา สามารถมีได้โดยที่เราไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขใจกับเราเพียงแต่เราต้องหยุดความอยากทําใจของเราให้สงบให้ได้ถ้าเราหยุดความอยากได้ทําใจให้สงบได้ความสุขใจก็จะโผล่ขึ้นมาความสุขนี้ดีกว่าความสุขที่ ได้จากการได้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้หรือได้ทําสิ่งต่างๆที่เราอยากทํเพาะว่าความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวได้อะไรมาแล้วก็ดีใจเดีย๋ยวเดียวเดี๋ยวก็อยากจะได้อย่างอื่นต่อมันก็มีอะไรอยากไปเรื่อยๆแล้วเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ก็จะเสียใจหรือได้มาแล้ว เสียไปก็จะเสียใจเองดังนั้นเราอยู่ในการหาความทุกข์กันโดยไม่รู้ตัวการหาการอยากได้อะไรก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมยังไม่ได้ยังไม่ทันได้ก็ทุกข์ใจแล้วอยากได้ลูกนี่ยังไม่ทันได้ลูกก็ทุกข์ใจแล้วเพราะไม่ได้ซะทีอันนี้ก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาโดยที่เรามองไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์กัน ถ้าเราไม่มีความอยากได้ลูกเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่พอเกิดอยากได้ลูกขึ้นมามันก็ทําให้เกิดความกังวลกังวเอ๊อะเมื่อไหร่จะได้ได้หรือไม่ได้นไม่ได้เราจะทําอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นปัญหาต่างๆขึ้นมาแล้วสมมติว่าถ้าได้มาแล้วเกิดลูกเป็นอะไรไปก็เสียใจแล้ว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 เรื่องภยจากความจากธรรมชาติคือธรรมดาของชีวิตร่างกายของคนทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องเจอภัยคือความแก่ภัคือความเจ็บไข้ได้ป่วยภัยคือความตายเนี่ยเราไปหาความทุกข์กันเองหาความทุกข์ด้วยการไปหาสิ่งที่เราอยากได้มาเป็นสมบัติของเรา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 ความห่วงใยความเสียใจความวุ่นวายใจต่างๆถ้าเรารู้จักหยุดความอยากหยุดใจหยุดคิดนะทำใจให้สงบใจสงบแล้วจะมีความสุขมากในความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆแล้วก็จะไม่จากเราไปเพราะ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 อปรปมจริยาเคยจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเพราะความสุขแบบนี้มันทุกเวลาไม่มีแฟนหรือแฟนไม่อยู่หรือแฟนจากเราไปก็จะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวถ้าเราไม่หาความสุขแบบนี้ต่อไปเราก็จะไม่เดือดร้อนที่เดือดร้อนตอนนี้เราติด ก, กับการหาความสุขแบบนี้ เี่วกับการหาความสุขแบบอยากการร่วมหลับนอนกับแฟนเวลาไม่มีแฟนก็จะทุกข์ขึ้นมา ừ, เพราะยังมีความอยากอยู่ถ้าเราฝืนถือศีลแปดศีลข้อสามนี้ได้ต่อไปเราก็จะฝืนความอยากได้พอฝืนความอยากแล้วเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์เวลาที่เราต้องอยู่คนเดียว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 คนอื่นอยู่คนอื่นเดี๋ยวดีไม่ดีก็ทะเลาะ ก, กันอีกเดี๋ยวก็มีความเห็นไม่ตรงกันคนหนึ่งอยากจะทำอย่างนี้คนหนึ่งอยากจะทำอย่างนั้นเดี๋ยวก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาจากการอยู่ร่วมกันเพราะมีความเห็นไม่ตรงกันมีความอยากไม่ตรงกันนี่คือวิธีที่เราหาความสุขแบบใหม่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 เดก็อย่าไปรับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหยุดการหาความสุขจากการรับประทานอาหารมาหาความสุขจากการมานั่งสมาธิมาเจาริญสติจะดีกว่าแล้วก็หยุดการหาความสุขจากทางตาหูจมูกนิ้วกายกับพวกมหรสบันเทิงต่างๆการไปเที่ยวที่ต่างๆไปดูไปฟัง ไปรวมภาพยนตร์ไปรวมละครไปดูเขาร้องรำทำเพลงดูทีวีที่บ้านของพวกนี้เป็นความสุขทางตาหูจมูกลิมกายที่เป็นเหมือนยาเสพติดที่ต้องดูต้องเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่ได้ดูแล้วรู้สึกโกรธเกลีดนํำคานใจอันนี้เป็นโทษมีสุขแต่มัน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 ไปก็ต้องไปไปงานเลี้ยงที่นั่ไปงานเลี้ยงที่นี่นนนก็จะไม่มีเวลามาทําใจให้สงบแต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะงดไปงานต่างๆงดการไปดูมาหมอรศบ ป, ปันเทิงต่างๆแล้วก็งดการต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากแต่งทําเผวทําผมต้องไปหาซื้อเสื้อผ้า สวยๆงามๆ ม, มาใส่ก็จะทำให้เราไม่มีเวลามานั่งสมาธิทำใจให้สบงบแล้วข้อแปดข้อสุดท้ายก็ให้เรานอนพอประมาณอย่านอนมากเกินไปวิธีนอนไม่มากนอนพอให้ร่างกายได้พักผ่อนก็คืออย่าไปนอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆนอนที่มันสบาย ก็สบายมากเวลาร่างกายตื่นมาแล้วมันใจยังไม่อยากจะลุกเยใจก็ขอนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงถ้านอนพักร่างกายนี้พักสักสี่ห้าชั่วโมงร่างกายก็เต็มอิ่มละพอละตื่นขึ้นมาแล้วแต่ถ้านอนบนฟูกนหน า, หนามันสบายก็ไม่อยากจะลุกเก็จะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงเอาเวลา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 มาอยู่วัดเป็นพักๆไปอยู่ครั้งสามวันเจ็ดวันถือศีลแปดแล้วก็มาฝึกเจริญสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วใจจะสงบไม่ฟุ้งซ่านฉะนันให้อยู่กับบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเราก็จะไปคิดถึงเรื่องต่างๆไม่ได้ เรื่องอยากจะมีลูกมันก็คิดไม่ได้ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็ลืมลืมแล้วใจก็เบาสบายไม่มีอะไรมากดดันใจสิ่งที่กดดันใจก็เรื่องต่างๆที่เราเอามาคิดนะ่นแหละคิดถึงคนนั้นก็อยากให้เรามีลูกคิดถึงคนนี้ก็อยากให้มันมีลูกมันก็ทำให้มันมากดดันใจเราล่นะแต่พอเราคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยว เรื่องของคนต่างๆที่จะมากดดันเราก็หายไปหมดสิ่งที่มากดดันใจของเราไม่ใช่คนที่อยู่ข้างนอกหรอกอยู่ที่ความคิดของเรานี่แหละเราเรื่องที่เราไปรับรู้มาคิดอยู่เรื่อยๆคนนั้นก็อยากจะให้เรามีลูคคนนี้ก็อยากจะให้เรามีลูคมันก็ทำให้ไม่เกิดความกดดันใจขึ้นมาเราสร้างความกดดันใจขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวด้วยความคิดของเราเอง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 พราะอาศัยสิ่งที่เสียไปเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเลยพอไม่มีสิ่งที่จะให้ความสุขเลยก็เลยมันจะอยู่ไปทำไมอยู่กับความทุกข์ก็ไม่อยากจะอยู่กันเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราที่คอยอาศัยสิ่งต่างๆให้ความสุขกับเราพอสิ่งที่ให้ความสุขกับเราจากเราไปเราจะเสียใจมาก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 อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับร่างกายดูว่าตอนใี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ร่างกายกําลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกําลังนั่งก็อยู่กับการนั่งกําลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวกําลังอาบน้ําอาบท่ากำลังทําอะไรก็ให้ดูร่างกายไปเรื่อยๆอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วเรื่องอื่นก็จะไม่เข้ามาในใจเรา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 กลวจะไม่กลวจะไม่ดีใจไปเรื่อยเวลาเสียใจก็อยากจะให้มันหมดไปเร็วๆมันก็ไม่หมดมันก็ยิ่งเสียใจขึ้นมาใหญ่เราไปติดอยู่ตรงนี้ยยึดเป็นอยู่กับความดีใจเสียใจเวลาเสียใจก็พยายามหนีมันเวลาดีใจก็พยายามวิ่งไล่มันดึงมันไว้ไม่ให้มันจากเราไปแต่เดี๋ยวมันก็จากเราไปทุกอย่างมันมาแล้วก็ไป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 เราจะได้รู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริงหาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาคือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจความสุขที่เกิดจากการอยู่คนเดียวคนที่จะหาความสุขก็ทองใจนี้ต้องอยู่คนเดียวต้องไม่เกี่ยวข้องกับใครเราก็จะไม่มีเรื่องวุ่นวายใจตามมา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 ถ้าไม่มีก็จะไม่มีความทุกข์ถ้าเราอยากไม่อยากจะมีความทุกข์อยากจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวเราก็ต้องอยู่แบบพระพุทธเจ้าเอพระพุทธเจ้าก่อนนั้นท่านก็เคยอยู่แบบพวกเราท่านก็อยู่แบบมีความทุกข์ท่านก็มีสมบัติมีบริสุทธิ์มีบริวารมีอะไรต่างๆมาให้ความสุขแต่มันก็มีความทุกข์ตามมาท่านก็เลยเบื่อ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 ก็อาจจะกลับไปหาสมบัติต่อไปก็ได้เป็น <c oughs> คนมาบวชแล้วสึกไปเพาสู้ความอยากไม่ไหวบวชได้สักพักหนึ่งแล้วความอยากมีแฟนมีครอบครัวมันก็ทำให้ต้องสิ้นคาลาเพศไปแต่ถ้าสู้ได้ถ้ามีสติอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะสู้ได้ก็จะผืนความอยากชนะความอยากได้กด็กจะบวชไปได้เรื่อยๆบวชแล้วก็มีความสุข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 ร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักนี่เราจะไม่ทุกข์เลยเขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายนี้เราจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะเราไม่ได้ไปยึดไปถือว่าเป็นของเราถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายของเราเราก็ต้องอย่าไปถือว่ามันเป็นนั่งเป็นของเราหรือว่ามันเป็นของดินน้ำนมไฟเดี๋ยวเวลาร่างกายตายไปมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำนมไฟไปร่างกายไปเผาก็เหลือแต่ดินเนี่ ไฟก็หายไปน้ำก็หายไปลมก็หายไปเนี่นี่คือการหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ตอนนี้พวกเราหาความสุขแบบมีความทุกข์กันสยจะต้องเจอทุกข์อีกหลายรอบเดี๋ยวคนนั้นจากเราไปคนนี้จากเราไปเดี๋ยวสิ่งนั้นจากเราไปสิ่งนี้จากเราไป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 ทำเป็นหูทวนลมได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะเราไม่ตันไม่ได้พึ่งอะไรไม่ต้องการอะไรจากเขาเขาจะไม่ให้อยู่กับเรากับเขาล้วก็ได้ไปอยู่คนเดียวก็ได้เขาจะไม่ให้อะไรเราก็ได้เราไม่เดือดร้อนถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเราไม่ต้องการอะไรจากใครนั้นเพราะสิ่งที่เขาให้เราก็สู้ของที่เรามีอยู่ไม่ได้สู้ความสงบไม่ได้ทั้นั้น เราก็ให้เราเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่ได้สู้ความสงบไม่ได้ความสงบให้ความสุขมากกว่าเงินร้อยล้านพันล้านแล้วเราก็จะไม่มีใครมากดดันเราได้เราจะเป็นอิสระนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงฟังวันนี้แล้วคงจะเลิกอยากมีลูกนะหนีก็ได้ไม่มีก็ได้เย มีใครอยากจะถามอะไรอไหมปัญหาเดียกันนี่ทั้งนั่นทั้งนองเนี่ยปัญหาแบบเดียวอะนะไม่มีการไม่มีตั้งใจไม่มีค่ะอันนี้ตั้งใจไม่มีค่ะเพราะแก่แล้วอยากมีบุญปฏิบัติธรรมบ้างค่ะแกแล้วอยากจะมีบุญไม่ค่ะอยากไปปฏิบัติธรรมบ้างค่ะไม่รู้จะมีวาสนาหรือเปล่าค่ะมีมาที่นี่ก็ถือว่ามีวาสนาแล้วอืม พ่อแม่ก็อยากให้มีแต่ตัวเองไม่อยากมีค่ะ อ, อ <c oughs> ก็ดีวันนี้ฟังนะพ่อแม่อาจจะไม่ไม่อยากให้มีก็ได้นะจะ <c oughs> <c oughs> จริงหรือเป่า <c oughs> <c oughs> พ่อกับแม่ก็อยากให้มีตัตลอดตอนนี้ไม่อยากมีเลยค่ะ อ, อ่ังคู่ไม่อยากมี <c oughs> ก็ดีแล้วล่ะไม่มีนะดอีอ่มีแล้วก็ต้อง มีความทุกข์ตามมามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกถามใครคนที่มีลูกแล้วไม่ทุกข์นะออามีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกค่ะตอนนี้ก็กลังทกใจมากค่ะลูกอ่าอายุสิบสี่ค่ะลูกชายนะคะกําลังลื้อมากอะนะช่วงเรื่องโวเรื่อง้ต่อช่วงที่ก็จะเป็นตัวเขาเองก่อนหน้านั้นเขายัางเล็กยังเด็กอยู่เขาก็ยังเชื่อฟังเราอยู่ เพาะเขายัางทําอะไรเองไม่ได้แต่พอเขาเริ่มจะทําอะไรเองได้แนละ้วเขาก็อยากจะเป็นตัวตนของเขาเองเขาก็อยากจะไปทําตามความอยากของเขาในนี้เขาไม่รู้ว่าอะไรผิดถูกดีชั่วคือปัญหาเขามักจะจะไปทําในสิ่งที่เป็นโทษกับเขามันก็เลยทําให้เราทุกข์ไปกับเขาเราก็ต้องควบคุมบังคับเขาไว้ตอนนี้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 พราะถ้าไม่ห้ามมราเดี๋ยวเขาเสียคนได้แล้วถ้าเขากำลังเริ่มที่จะก้าวแล้วนะคะก็อย่าไปถือสามันถือเป็นธรรมชาติของคนที่เวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะโกรธโกรธแล้วก็จ ะ, สะแสดงอาการก้าวแล้วต่างๆขึ้นมาเราอย่าไปถือสาแล้วเราจะได้ไม่เสียใจนะเพราะว่าเขากําลังเมา เวลาไม่ได้อะไรแล้วมันจะเหมือนคนเมามันจะพ่านมันจะลืมบุญลืมคุณลืมอะไรต่างๆไปหมดก็ถือว่าเป็นความเมาชั่วคราวก็แล้วกันนาเดียวมันก็หายไปหรือถ้าเขาจะเป็นคนอย่างนั้นเราก็อย่าไปเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอ่าเป็นสันดานของเขาไป ก็เป็นความทุกขนี่แหละที่เกิดจากการที่เราไปมีลูกกัน mm hmm. เพราะลูกที่เราได้นี้เขาไม่ได้มาจากเราเขามาที่มาจากเราก็เป็นเพียงร่างกายแต่จใจเขาไม่ได้มาจากเราใจเขาก็เป็นคนที่ตายไปแล้วแล้วกำลังหาร่างกายใหม่อยู่พอเราตั้งท้องเขาก็เลยมามาครอบครองท้องที่เราตั้งอยู่นี้ เด็กที่อยู่ในทอนนี้ร่างกายที่เราตั้งขึ้นมานี้แต่นิสัยใจคอเขาไม่ได้มาจากเรานิสัยใจคอเป็นของเดิมของเขาทั้งหมดเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีมันก็มันก็ติดมากับเขาเปนน เ, าเป็นคนก้าวแล้วหรือเป็นคนกระตันอยู่นี่เขาก็มันติดมากับเขาสิ่งที่เราทําได้ก็เพียงแต่คอยสอนคอยบอกเขาเท่านั้นเองว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดี แต่ถ้านิสัยสันดานเขามันมันร้ายกาจมันแรงกว่าสิ่งที่เราสอนก็อาจจะไม่มีผลมากนะเราก็ต้องทําใจเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวทำใจแล้วเราจะไม่เสียใจแต่ถ้าเราไปหวังว่าให้เขาดีให้เขาเป็นคนมีความกตัญญูมีคำมาคาราวะไม่ก้าวแล้วเราก็จะเสียใจเนี่ย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 บางคนก็เป็นมะละกอเป็นสับ ป, ปะรดเนี่เราได้อะไรเราก็ต้องก็ต้องยิน ด, ดีกับมันได้กล้วยแล้วแต่ไปอยากให้มันเป็นส้มเราก็จะเสียใจถ้าได้คนก้าวเล้วมาแล้วเราอยากจะไปได้คนที่มีสัมมาคารวะเราก็จะเสียใจเห็นเราได้อะไรมาเราก็ต้องทำใจนว่าเหมือนกับเราไปจับฉลาก เวลามีลูกนี้ก็เหมือนจับฉลากไม่รู้ว่าจะได้ลูกดีหรือมันลูกไม่ดีจะได้คนดีหรือคนไม่ดีก็ไม่รู้จับมาแล้วก็ต้องเนี่ยต้องยอมรับกับฉลากที่เราจับมาก็ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะไม่เสียใจแล้วเราก็จะพยายามเลี้ยงดูเขาไปตามหน้าที่ะ สนตัวเขาจะดีแล้วไม่ดีก็อยู่ที่นิสัยสันดานของเขาเราก็ให้สิ่งสอนในสิ่งที่ดีกับเขาว่าอะไรดีอะไรไม่ดีพาไปโรงเรียนพาไปวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาธรรมะพาไปทําบุญถ้าเขาชอบเขามาทางนี้ก็ดีไปถ้าเขาไม่ชอบเขาอยากจะไปกินเหล้ามเมายาไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ช่ามเขาไม่ได้ งั้นก็ต้องรู้จักทำใจด้วยรู้จักสอนเขาด้วยเรามีหน้าที่สอนก็สอนไปส่วนเขาจะทำตามได้หรือไม่ได้นี่เราก็ต้องทำใจมัฉะนั้นเราก็จะเสียใจแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร mm. เขาก็จะต้องทำตามที่เขาอยากจะทำนั่นแหละ mm. เราก็มีทางหนึ่งก็คืออย่าไปส่งเสริมคืออย่าไปให้เงินเขามาก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 ไมได้มาแล้วจะดีอย่างนั้นจะดีอย่างนี้จะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มองด้านด้านลบว่ามันจะต้องมีมีเรื่องมีราวมีปัญหามีอะไรต่างๆตามมาพอเราไม่คิดรอบคอบคิดด้านคิดด้านเดียวถึงจะต้องมาเสียใจในภายหลังคนฉลาดมักจะเห็นเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นลูงหน้าก่อนเห็นทั้งสองด้าน เห็นทั้งด้านบวกเห็นทั้งด้านลบก็ะไรไม่เอาดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่า<แ>มีอะไรไหมพอจะทำใจได้ไหมค่ะก็ถึงได้ตัดสินใจมาปฏิบัติ ธ, ธรรมนะคะเออตั่งมาฝึกทำใจเราพอเราทำใจได้แล้วเขาจะดีเขาจะช่วยเราก็รับได้ พว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เรามันสุดวิสัยเนาะเราไปทําให้เขาดีไม่ได้แล้วเราจะทำํำยังไงเมื่อเขาไม่ยอมดีเราก็ต้องทําใจเท่านั้นเองเราจะได้ไม่ทุกข์กับเขาเอแล้วเราก็จะไม่โกรธไม่เสียใจเราก็จะถือว่าเป็นกรรมของเขาไปมีอะไรจากทางอีกไหม ขอขายครับพระอาจารย์ผมฟังที่ที่เกียรติธรรมของประชาชนตั้าปี52ครับผมอแล้วผมว่านิพพานบอกว่าเกียมรับนรบอของโอเคียรติรัตรควรน้ำให้คุณพิดามาราแล้วท่านนิพพานไปปี54ครับแล้วผมไปทำเหมือนเดิมจะได้ไหครับผมได้อทําได้การการกดน้า น, นี้ไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับพระรงองค์เจ้าอยู่ที่บุญเราทําะ เราทำบุญเนี่เร า, เราอุทิศให้กับผู้ที่รวงรับไปได้การก็ดีก็จะจะให้พอ น, น, นะนะประโยคงกำลังจะรออุทิศบุญพอดียะทาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาขลรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกับปติ อิจิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสัมิจตุสัพเเปุริตุสังกปาจันโทปัญหาระโสยธามณิจติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตาวะตวันตารายสุขีทีขายยโกาวะอภิวาทนสีนิสะนิจจังุทธาปจายโนจตารโอธรมมวทานติอายุวโนสุขังภาลาง อ่าเอาเลยนะเนหนังสือซีดีไปแล้วยังออาใครต้องการหนังสือ c ีดีก็ไปได้นะมีหนังสือประวัติหลวงปู่ขาวหนวงตาเป็นคนเขียนอ่านประวัติครูบาอาจารย์แล้วเราจะได้เห็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราจะได้อทําตัวให้เหมือนครูบาอาจารย์อย่างน้อยให้ได้สักนิดหน่อยก็ยังดีจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้น มีความทุกข์น้อยลงทุกข์อยู่ที่การกระทําของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีมากไม่มีน้อยคนยิ่งมีน้อยยิ่งกลับมีความสุขมากคนยิ่งมีมากกลับยิ่งมีความทุกข์มากคนที่มีความสุขเต็มร้อยนี้ไม่มีอะไรเลยเราพุทธเจ้าครูบาอาจารย์นี้ท่านไม่มีสมบัติอะไรเลยตายไปไม่ต้องเขียนพินอิกรมไม่ต้องย่อมาะม่อมาลดดกให้กับใคร ม, มีใครอยากจะถามอะไรไหมทางนู้นมาจากที่ไหนมาจากรุงเทพเหรออยู่พัทยานี่เพิ่งมาข้างล่าเหรอมาไหวครับปกติทีเมาสอาทิค่ะอ๋อนทีคนเยอะไปเปลี่ยนร้อง้อ่ามันธรรมดาคนน้อยหน่อยเดี๋ยวนี้คนรู้จักเยอะขึ้นะ ก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีการถ่ายทอดสดทุกวันผ่านทางยูทู e ผ่านทาง facebook คนอยู่ต่างประเทศก็ติดตามกันเมอวันนี้เขียนมาจากหลายที่เนะฝรั่งเศสญาติโยมตอนนี้ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ถ้าอยากจะฟังเทศฟังทางมติดตามสดก็ทุกวันทุกวันบ่ายสองโมง y ด u t u b e เข้าไปก็ได้ Facebook ก็ได้ facebook พาอาจารย์สุชาติ youtube ก็พาสุชาติไลฟ์ภาษาอังกฤษเสิร์ชเข้าไปก็สามารถที่จะติดตามดูได้เมันกลับมาที่นี่เลยต่างตรงที่บรรยากาศบรรยากาศที่บ้านอาจจะไม่สงบเหมือนที่นี่คนบางคนก็บอกว่าเขาติดตามที่บ้านก็สู้มาที่นี่ไม่ได้ ที่นี่ความสงบมันมีมากกว่าบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากกว่าอยู่ที่บ้านการฟังเทศฟังธรรมนี้จะได้ลดดีอัธรสดก็ต้องมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติที่มีความสงบเนี่ยไม่มีของอะไรที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาไม่มีพัดลมไม่มีอะไรต่างๆมีแต่เสียงลมพัดธรรมชาติมีกิ่งไม้ต้นไม้ใบญ้าไม่มีการปรงแต่ง เป็นเรื่องของธรรมชาติไปน่ตายาเยตายายมไม่มีอะไรถามจะให้ทางบ้านที่เขาอยากจะถามถามเข้ามานะญาญโยมจะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้นะเพราะก็จะนั่งคุยกันต่อไปถึงสี่โมงนั่นนะถึงจะจบ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 ขอให้ไม่หายทุกจากการถูกกดดันนะะัอี้ได้ไเยอะเลยค่ะใช่เข้าใจไหมไม่เข้าใจค่ะั้งช่างแต่อยากมเยอะแก่กันแลวก่ยงเดอรู้มสมัยนี้มันไม่เลี้งเรหรอกมีแต่เราต้องเี้ยงมันจนนตาย เราเลี้ยงมันได้ถ้ามันเราจะเลี้ยงเราไม่ได้嘛เอะมาขึ้นมาตั้งข้างบนนี้เลยอ่าอ่ายพก่อนาก่อน อ, นอเอาขึ้นมาตั้งเลยไม่ได้ ตั้งได้เลยว า, ยางไว้คาการ์หนังสือซีดีก็อยู่ไปได้นะรูวันนี้ไปโรงเรียนไหมไม่ไปนะยังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะสี่กวาสามกลวเนี่ยตอนนี้กำลังน่ารักใครๆก็อยากเห็นเด็กนี้ก็อยากจะได้ลูกกันเดี๋ยวพอสิบสี่บห้าแล้วนี่ก็ร้องไห้แล้วน้ำตาตกแล้วบอกยังไงก็ไม่ฟังนะ ตอนนี้ฟังตอนนี้เชื่อฟังอย่างนี้เนียครับมันเป็นกรรมของแม่แของลูกครับผมทำไมถ้าลูกไม่ดีเองนะครับ อ, อ๋อแม่นะ่เป็นกรรมของลูกเป็นกรรมของลูกนะครับแต่ละคนทําบุญทํากรรมของเข้ามาเองไม่ได้เกี่ยวกับแ ม, ไม่ไม่ได้เกี่ยวกัน ดื้อทุกคนอะถ้าไม่ดื้อก็ไม่ใช่เป็นคนอะไรหลวงพี่ย่าเป็นอัอ่าน้านเนี่ยค่ะก็มีลูกอายุน่าจะโซ่สิบสี่สิบห้านี่เหมือนกันค่ะอ่าก็รื้อจนเข้าขั้นเลวร้กับพ่อแม่ตีพ่อแม่ด้วยอย่างนี้ค่ะอ่านั่นแหละแล้วก็ พ่อแม่ก็แม่ก็เป็นคนดีไปทาบุญด้วยกันตลอดเลยนะคะแต่ว่าลูกไม่ดีเลยค่ะ เ, เขาก็ทุกข์ใจมากค่ะันจะเป็นทังกรรมของแม่ของลูกด้วยแม่ <c oughs> พ่อแม่ในอดีตชาติก็เคยไปก้าวแล้วพ่อแม่มาก่อน เ, ออเขาทั้งดา่าทำหยาบคายแล้วก็หนีออกจากบ้านพ่อแม่ต้องคือบางทีมันมีเรื่องขึ้นลง ข, ขึ้นตำรวจอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะโดยไม่รู้จะปลอบใจเขายัางไง ก็ทำใจนะอย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดว่าเป็นลูกของเราทั้งหมดนะคิดว่า well. ค, คนแอบเข้ามาอยู่ในท้องเราเราไม่ได้ก็มาขอกาะใสท้องเราอยู่ฝ่ายแม่เป็นคนทำบมะทำมองครับทำบุญทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับหลวงตามาตลอดแต่ว่าลูกไม่ดีเฉยๆครับเป็นกรรมของลูกที่ก็ไม่ดีกรรมของแม่ที่นได้ลูกไม่ดีมา ใช่ก่อนอาจจะเคยไปทํากรรมกับพ่อแม่มาก่อนก็ได้มันก็เลยต้องมาใช้กรรมกันไปเขากนะ็ทุกข์ใจมากเขาบอกว่าเป็นลูกให้ให้ทํำยังไงเขาก็รักจีนไม่ได้เนี้ยค่ะอไม่ได้เขาก็ทําใจเฉยๆก็แล้วกันอย่าไปอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเป็นยังไงก็ปล่อยให้ก็เป็นไปเดี๋ยว่าเป็นมุญเป็นกรรมไปหนูก็เลยตั้งใจไม่มีไม่มีลูกนะคะเพราะว่า อยากเป็นเวลาไหมปฏิบัติทําบ้างคะ่ะไม่รู้จะมีวาสนาหรือไม่นี่นี่เนี่ยก็แล้วน่เริ่มมาแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก็มาบ่อยขึ้น <c oughs> บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ถือสินแปดได้เองไม่ไม่ยากเราอยู่ที่ใจเราถ้าเราอยากจะทำอะไรแล้วทําได้มันต้องเริ่มจากความอยากที่ฉันทะความยินดีความอยากจะทําสิ่งที่ดีความมีฉันทะเดี๋ยวมันก็มีการความเพียรตามมา ฟังเทศฟังธรรมไปบ่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆแล้วจะมีกำลังใจอาจอารย์คะผลบุญที่พ่อแม่ทําเนี่ยส่งถึงลูกไหมคะออบุญนี่ของใครของมันทุกคนต้องทํากันเองถ้าอยากจะให้ลูกบุญก็พาลูกมาทำบุญด้วยกันนี้ตอนนี้เราก็สอนเขาไปก่อนพอเขาโตแล้วเขามีเงินทองของเขาเอ ง, ของเขาก็ทําของเขาเองเมื่อเป็นปกติแล้วเนี่ย ก็เริ่มตั้งท้องเขาอะนะคะก็เป็นพอดีครอบครัวนะคะเป็นรู้สึกของโลวงมามาบัวมาตลอดนะคะก็พาเขาไปกราบท่านมาตลอดก็เยางเป็นอย่างนี้เลยนะคะใช่มันไม่ได้เกี่ยวเขาเั้าอยู่ในท้องกาไม่รู้เรื่องรูราวอะไรหรอกตอนเด็กๆพาไปกราบเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวแต่ตอนนี้ถ้ามาถ้าเข้ายังเข้าหาครูบาอาจารย์ฟังเทศฟังธรรมอยู่เขาก็จะมีอะไรคอย คอเตือนใจเขาคอยสอนเขาให้เขาหักข้ามความจริงเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นแหะแต่พอเราไปขัดใจเขาเข้าเขาก็เลยโกรธเราเห็นเราต้องลดลดลดการต่อสู้กับเขาลงหน้อยลงพูดให้น้อยเฉยเฉยอย่าไปบน่นอย่าไปว่าเขามากส่วนหนึ่งก็เป็นเหตุเราไปกระตุ้นความโกรธเขาเอง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 เขาจะได้รู้จะได้เรียนรู้ว่าการกระทำที่ไม่ดีผลมันเป็นยังไงคือมันต้องลองอมันถึงจะรู้ไปบอกว่าอย่าไปแตะเนะ้วไฟมันร้อนเนี่ยเด็กมันไม่เชื่อต้องให้มันแตะ ห, น, หนึงเนะพอไปแตะไฟเข้าหนงเดียวมันก็เขร์เองอ่ะพยายามเผชิญหน้ากันให้น้อย แต่ก็พูดพูดตามความเป็นจริงบอกเขาให้รู้ผิดถูกดีชั่วทําได้ทำอะไรทําได้ทําไม่ได้ก็บอกเขาเท่านั้นเขาจะโกรธไม่พอใจก็เรื่องของเขาแต่ถ้าไปพูดมากเดี๋ยวมันลามไปเป็นไฟขึ้นมาเถียงกันไปเถียงกันมาอย่าไม่เถียงเขาจะเถียงแล้วก็อย่าไปถือสาเขาเป็นเป็นป น, นิสัยสั้นด่างเขา <c oughs> ที่เขาออ ลับตัวเข้ามาเขายับยังไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นไงทางบ้านมีคำถามเยอะไหม <c oughs> เอาเวลาถ้ามีเท่าที่มีแล้วคำถามจาก Youtube ลูกเห็นความสุขที่อยู่บนความทุกข์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 ปัญญาทำให้ใจใหายฟุ้งก่อนพอหายฟุ้งแล้วเราก็มาพุโ h, ทโธมานั่งสมาธิต่อไดไ้คิดถึงความตายเนี่ยจะช่วยได้เยอะมันจะทำให้ปัญหาต่างๆหมดไปยนยโยมลองคิดถึงความตายบ้างเลยว่าเดี๋ยวเรากับลูกก็ต้องจากกันละเขาก็ต้องไปทางเราก็ต้องไปทางั cruising, ้นอยู่อยู่ด้วย ก, กันแล้วอยู่อยู่กันแบบมีความสุขไม่ดีกว่าเลยการอยู่แบบมีความสุขก็ต่างคนต่างอยู่ ปล่อยวางอยากจะทำอะไรก็ทำไปแต่ต้องรับผิดชอบเองร <c oughs> ับโทษเอง <c oughs> เพราะว่าเวลาติดคุกก็เขาต้องติดเองพ่อแม่ไปติดแทนเขาไม่ได้อะก็ต่อไปปวดน้วเหลีย <c oughs>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 แล้วก็จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นไปต่อไปได้ถ้าเราปฏิบัติถึงขีดเราจะรู้ว่ารู้สึกว่าปฏิบัติได้เพียงเทงา่านี้จะคืบหน้ากว่านี้ไม่ได้ที่บ้านเราก็ต้องไปที่วัดหรือไปที่ที่ที่สงบที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้มากกว่านี้เข้มข้นกว่านี้และได้ผลมากกว่านี้คําถามเอาจจะคุณนเรศ น, นะครับ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 จะจริงแล้วไม่จริงนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าคำชมที่เขาชมเป็นเรื่องจริงต่อไปเขาไม่ชมเราวเราก็ยังเราก็ยังดีอยู่เพราะความดีของเราไม่ได้อยู่ที่เขาชมหรือไม่ชมดังนั้นเราต้องดูความจริงอย่าไปดูที่คำชมหรือคำดา่าถ้าเราไปดูแต่คำชมทั้งๆที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยพอเขาพูดอีกอย่างหนึ่งเราก็จะเสียใจได้ การให้ให้พิจารณาหลายด้านหนึ่งคํามชมนี้ก็ไม่เที่ยงมีชมได้ก็เดี๋ยวก็มีด่าได้เวลาชอบใจกันก็ชบกันเวลาโกรธกันก็ด่ากันนั้ให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่หลงไหลไม่ไปยึดติดกับคํามชมสองให้มองความจริงเขาชมเราสวยเราสวยจริงหรือเปล่าเขาชมว่าเราดีเราดีจริงหรือเปล่าถ้าเราสวยจริงเราดีจริงเดี๋ยววันหลังเขาไม่ชมเรา เราก็ยังสวยอยู่เราก็ยังดีอยู่หรือเขาด่าเราเราก็ยังดีอยู่เราก็ยังสวยอยู่เะนั้นให้ดูที่ความจริงแล้วเราจะไม่สะเทือนกับคําชมหรือคําด่ดาของผู้อื่นแต่เราจะไม่ยอมดูความจริงกันเราชอบหลงไหลไปตามคําชมเขาว่าเราสวยทั้งๆ ท, ที่หน้าตาเราเป็นเหมือนแพะเหมือนแก่เราก็ดีใจไปกับคําชมของเขา ตอนเขาดา่าเราเป็นแพทย์เป็นแกะแล้วก็เสียใจเน้นให้ดูความจริงนแล้วให้ดูความไม่เที่ยงแท้ของคําชมและของคาําด่าบางทีคําชมคําด่านี้อาจจะไม่ตรงกับความจริงแล้วบางทีคําชมนี้ก็กลายเป็นคําด่าได้คําด่าก็กลายเป็นคำชมได้เน้นอย่าไปยึดไปติดกับมันให้รับรู้เฉยๆแล้วปล่อยวาง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 เราจะเอาชนะความกลัวต่างๆได้อย่างไรก็มีสองระดับนะระดับแรกเวลาเกิดความกลัวก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปเลือสวดอิติปิโสไปอย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวพอเราเกิดความกลัวปั๊บก็รีบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วความกลัวนั้นก็จะหายไปชั่วคราวแต่ถ้าเราอยากจะให้มันหายไปตลอดเราก็ต้องตรุงว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตาย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 ทำอย่างไรให้จิตสงบครับเพราะสติเรามีกําลังน้อยเราต้องฝึกสติให้มากสร้างสติให้มากด้วยการหม่นพุโทโธพุโทโธอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรายังไม่ได้นั่งถ้า ถ, ถ้าทําได้จนตตื่นเลยก็จะดีพอลืมตาขึ้นมาได้ก็พุโทโธพุโทโธไปไปล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอาบน้าอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธพุโทโธไป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 มันก็คงจะมีส่วนนะครับที่เราไปทำบาปนะผลของบาปมันก็จะเกิดขึ้นมาแต่ผลที่มันจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่จะอยู่ในอพบหน้าชาติหน้ามากกว่าเคยฆ่าอะไรต่อไปก็ต้องไปเกิดเป็นสิ่งนั้นให้เขามาฆ่าเราแทนเคยฆ่าปลาหนุ ก, กตายไปก็ไปเกิดเป็นปลาหนุกเดี๋ยวก็ถูกเขาวาจับมาเสียบข้าเสียบคอเหมือนที่เราทำนะํำฮะ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 เป็นผลเฉพาะตนถ้าอยากจะ อ, อุทิศบุญต้องไปทําทานไปถวายทานถวายสังฆทานทําบุญใส่บาตรอะไรทํานองนี้บ่อยๆจากซ้ำให้กับโรงพยาบาลโรงเรียนเนืออะไรอย่างเนี้ก็จะเกิดบุญขึ้นมาแล้วเราก็อุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่งรับไปได้คุณรัชดาพรถามเพิ่มมาว่าสวดมนต์จำเป็นต้องสวดทุกวันใหม่คับ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 สวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมที่บ้านจำเป็นต้องใส่ชุดสีขาวทั้งชุดไหมครับอ๋อไม่จำเป็นนะไมครับใส่เสื้อผ้าที่สบายสบายไม่ทำให้ร่างกายอึดอัดเนี่ยเช่นอย่าไปใส่เสื้อผ้าที่เราเหมือนกับใส่ไปออกกำลังกายที่มันฟิตมันแน่นนี้ไม่ใส่แบบสบายสบายคุณจตุพรถามว่าเวลานั่งภาวนานอกบ้าน เราจะนั่งหันหน้าไปทิศทางไหนก็ได้หรือว่าต้องหันหน้าไปทางทิศอื่นๆที่ไม่ใช่ทิศตะวันตกหรืออย่างไรเจ้าคะเออไม่ได้อยู่ที่ทิศหรอกอยู่ที่ความเหมาะสมตรงไหนเหมาะสมก็นั่งได้หันไปทางไหนไหนก็ได้คำถามจคุณนักการลูกนั่งสมาธิพอร่วมสงบสัพพะลูกเห็นผู้หญิงกับเด็กนั่งมองมาที่ลูก ลูกเลยออกจากสมาธิลูกกลัวควรทําอย่างไรดีเจ้าคะพราะนั่งสมาธิไม่ถูกเลยเวลานั่งสมาธิต้องมีอะไรกํากับคอบคุมใจต้องมีพุโทโธพุธโทโธไปแล้วมีลมหายใจให้ดูไปถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดลูกอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาแล้วใจของเราก็จะไม่มีวันสงบในเวลานั่งอย่าไปปล่อยให้ใจนั่งเฉยๆนั่งแล้วต้องมีลมดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปก็ได้แล้วใจจะไม่เห็นอะไรใจจะสงบนิ่งเย็นสบายเข้าสู่ความสงบได้เต็มที่คำถามจากคุณบุญชยานะครับเราควรศึกษาพระสูตรใ ด, ดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติคะพระสูตรที่สำคัญก็คือหนึ่งธรรมจาจักกบปวัตนสูตรสองอนัตตลักณะสูตรสามอธิเตยะสูตร สสติปฐานสูตรห้ามงคลละสูตรเนี่ยกระสนเหล่านี้จะสอนให้เราเข้าถึงแก่นธรรมเข้าถึงวิธีปฏิบัติธรรมคำถามข้อต่อไปจากคุณภูวเดชนะครับถ้าภาวนาไปแล้วลมหายใจดับหรือเกือบดแบบับลมเบามากๆต้องทำอย่างไรต่อไปให้รู้เฉยๆนั่งรู้เฉยๆดูต่อไป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 ห้ามไม่ฉันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแต่ถ้าจะถือธุดงควัดนี้ก็จะผิดเพราะธุดงควัดนี้จะถือฉันมื้อเดียวธุดงนี่มีอยู่สิบสามข้อด้วยกันข้อที่เกี่ยวกับการขบฉันนี้ก็มีอยู่สามสี่ข้อหนึ่งการบินทบาทเป็นวัดคือถ้าจะฉันก็ต้องไปบินทบาทไปหาอาหารจากการบินทบาตเรียกว่าบินทบาทเป็นวัดสองฉันมื้อเดียวฉันครั้งเดียว สามชั้นในบาตรอาหารที่ได้มานี้จะใส่รวมเข้าไปในบาตรละไม่ใช้ภาชนะอื่นใส่อาหารนี่คือเรียกว่าทุดงขวัตรข้อบังคับพิเศษที่เราสมาทานขึ้นมาเหมือนศีลพิเศษสองวินัยส2งยี่สิบเจ็ดข้อนี้เป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามแต่ทุดงขวัตรจิสามข้อนี้ไม่บังคับให้ถือเป็นออปชันเหมือนกับซื้อรถ คือรถนี้ก็มีของที่ให้มากับรถและมีของที่เราจะต้องซื้อพิเศษทุดงขวัตก็เหมือนกับของที่เราต้องซื้อพิเศษไม่ได้มากับศินสอง้อยยี่สิบเจ็ดข้ออยากจะให้รถวิ่งเร็วขึ้นอยากจะให้ปฏิบัติทำถึงมพระนิพานเร็วขึ้นก็ต้องซื้อทุดงขวัตเพิ่มะทุดงสิบสามข้อนี้จะทําให้ไปถึงนิพานเร็วกว่าคนที่ไม่ถือไม่ถือทุดงขวัต คำถามเป็นภาษาอังกฤษค่ะคำถามจากคุณโทนี่เ e ียอาจารย์แคนยูพีส์อ n ิบายวิธีใช้บุตรในสมาธิเพ่อให้ฉันเข้าใ r ได้ t ีบ e ตร a มายถ t งเพื่อให้คุณคิด i นใจซ้ำๆในใจของค u ณบุตรบ is to prevent you from thinking a b o ิด other things So o r m i if you m if you let your mind keep thinking, your mind will never be still, will not be calm, will not be peaceful, will not be happy. But if you can control your thought s by reciting b u t t o b b u t t o continuously, then you cannot think about other thing. Then eventually your mind will stop thinking, and when your mind stop thinking, you will find peace and happiness. So try to keep recite in your mind, inside mentally, not verbally. You don't have to make sound. Just repeat mentally from the time you get up to the time you go to sleep. And when you have spare time, just sit down and close your eyes and keep repeating Puto Puto. When you sit and keep repeating Puto, your mind can become very still. But if you still move, your mind will not become very still. But it can become Uh, still enough to make you happy. So try to repeat, recite Puto t Puto t all the time, all day long, from the time you get up to the time you go to sleep. Only stop when you have to think about what you have to do, or what you do. But when you start to dream, to fantasize with your thought, then you should stop and use Puto t Puto t instead. In order to stop your mind from uh, craving, stop your mind from desiring, stop your mind from wanting to have something, to have this or to have that. Because when you have desire, your mind becomes restless and agitated. But if you can prevent your mind from desiring you, by using bhuto bhuto, then your mind will become peaceful and easy.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 ก็เพราะว่าเราทำโดยที่เราไม่รู้ว่าบาป เ, เหมือนกับสัตว์ที่เขากินสัตว์เล็กสัน้อยนีย้เขาก็ไม่รู้ว่าบาปแต่เขาทำเพราะว่าเขาทำเพื่ออยู่รอดแต่ถ้าเราโตแล้วเรารู้ผิดถูกดีชั่วแล้วเราก็เลิกทำเสียคาถามจากคุณทวิชานะครับีิฉันชอบฟังธรรมะพระอาจารย์มากค่ะอยากทราบว่า เราสามารถบรรลุทำขณะฟังธรรมดได้ไหมคะได้ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์ล้วมีสมาธิมีจิตใจที่สงบตั้งมั่นเวลาเราฟังธรรมเราก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมที่แสดงได้และปล่อยวางตามที่ธรรมสอนให้ปล่อยได้การฟังธรรมนี้สอนให้เราปล่อยวางให้เราเห็นว่าการที่เราไปยึดติดกับสิ่งต่างๆทำให้เราทุกข์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 จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับก็อย่าปล่อยให้ใจเลื่อนลอยใช้พุทโธดึงเอาไว้ให้ผูกใจไว้กับพุทโธพุทโธนี่เป็นเหมือนกับสมอเรือนะถ้าเราทอาสมอเรือแล้วเรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำดังนั้นถ้าเรามีพุทโธนี้ใจเราจะมีหลักใจเราจะไม่เลื่อนลอยไม่ไหลไปไหลมาพอใจเรามีหลักมีเกณฑ์มีความสงบมีความตั้งมั่นใจเราก็จะมีกํำลังขึ้นมา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 ดูได้สองที่ดูที่ท้องก็ได้ดูที่ปลายจมูกก็ได้แล้วแต่ความถนัดความพอใจของเราถ้าเราพอใจที่จะดูลมที่สัมผัสที่ปลายจมูกเราก็ดูตรงนั้นหรือจะเราจะดูอาการของลมเวลาเข้าไปในท้องแล้วมันพองขึ้นมาเวลาออกจากท้องมันก็ยุบขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้แต่ให้ดูเฉยๆอย่าไปเพ่งแบบจนกระทัง่งเครียดีให้ดู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 นณะที่อยู่ในสมาธินี้ห้ามพิจารณาให้นิ่งเฉยๆให้นิ่งนานๆ น, น่นาจจะมีกำลังที่จะปล่อยวางร่างกายได้คำถามจากคุณลาวิวันถ้าพ่อแม่แบ่งทรัพย์ให้ลูกไม่เท่ากันเป็นบาปไหมคะเพราะส่วนมากลูกๆชอบคิดไม่ดีกับพ่อแม่ทั้งๆ ท, ที่พ่อแม่เป็นผู้หามาแท้แทถ้าเราตำหนิพ่อแม่เราบาปไหมคะ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 ส่วนอย่างอื่นนี้ถือว่าเป็นของแถมก็แล้วกันให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้พราะอย่างน้อยเราหาเองก็ได้ถ้าเราเก่งจริงเราบางทีไม่ต้องรอเอาเงินจากพ่อแม่หรอกเอาชีวิตของพ่อแม่ที่ให้เรามานี้มาหาเงินหาทองเองดีไม่ดีจะได้มากกว่าเงินทองที่พ่อแม่ให้กับเราเสียได้ซ้ําไปคําถามจากคุณสระหัสนะครับเวลาผมเดินทางไปนอนตามโรงแรมต่างๆจะไม่สามารถนั่งสมาธิก่อนนอนได้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 นาลังอภิเนวะสายะได้ไหมคะคงจะต้องลองไปเสิร์ชในกูเ g l e ดนดีกว่านะข้อที่สอง อ, อิธิบาสีหากอยากรู้ทมข้อนี้ทำอย่างไรบ้างคะอิธิบาสีก็มีทมอยู่สี่อันหนึ่งเรียกว่าฉันทะอันที่สองเรียกว่าวิริยะอันที่สามเรียกว่าจิตตะอันที่สี่เรียกว่าวิมังสานี่คือคุณสมบัติและคุณธรรมสี่ประการ รวมกันแล้วเราจะเรียกว่าอิธิบาทสอิธิแปลว่าความยิ่งใหญ่บาท 4. คือทางสู่ความยิ่งใหญ่ถ้าเรามีอิธิบาทสี่เราก็จะสามารถทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นไปพระนิพพานได้หรือถ้าจะไปแข่งกีฬาก็ได้เหรียญทองโอลิมปิกได้ด้วยอิติบาทสนี้อิธิบาทสี่นี้ใช้ได้ทั้งทางธรรมและทางโลกอิธิบาทข้อที่หนึ่งก็คือฉันทะความพอใจ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 ใจเาจะจิตย่อจดจอ่จอจ อ, อยู่กับเรื่องของวิ่งอย่างเดียวจะไม่ไปเที่ยวไปเล่นกับใครจะเข้าไปฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆเรียกว่าจิตตะใจจดจอ่อแน่วแน่ต่อการฝึกซ้อมต่อการเตรียมตัวเพื่อที่จะไปแข่งขันกีฬาเรียกว่าจิตตะไม่ใจจะไม่วอกแวกไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่นไปกับหาเพื่อนฝูงใจจะอยู่กับการฝึกซ้อมอย่างเดียวเรียกว่าจิตตะวิมังษา ก, ก็ความคิด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 ถ้ามีอยูทอ่ที่บาสีก็จะสามารถได้รับความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการนอกจากยกเว้นนอกจากว่ามันเป็นเศษสุดวิสัยหรือความสามารถของเรามันก็ช่วยไม่ได้บางคนเราบางคนมีที่บาสีทําเต็มที่แล้วแต่ก็บางทีสู้คนอื่นเขาไม่ได้คนอื่นเขาดีกว่าเก่งกว่าอันนี้ก็อย่าไปอย่าไปเสียใจแต่ถ้าเรา แข่งกับตัวเราเองนี่เราจะได้ทุกคนถ้าเราอยากจะไปนิพพานเนี่ยถ้าเรามีที่บาสีเราก็ไปนิพพานกันได้ทุกคนแต่ถ้าเราไปแข่งกับคนอื่นนี่มันไม่แน่คนอื่นเ็าอาจจะมีกําลังมากกว่าเราเก่งกว่าเราอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าแข่งแข่งกับตั ว, ตวเรานี่เราเจะเอาชนะได้เช่นแข่งกับกิเลสตัณหาของเราเนี่ยเราชนะได้ถ้าเรามีที่บาศี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 พอลืมตาขึ้นมาก็ดูร่างกายเล้ว่าตอนนี้อยู่ในท่าไหนกำลังนอนกำลังลุกขึ้นมากำลังยืนกำลังเดินกำลังไปอาบน้ำกำลังล้างหน้าล้างตากำลังแต่งหูแต่งตัวก็ให้เฝ้าดูการทาการกระทาของร่างกายในทุกิริยาบทอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติหรือจะท่องพุทโธไปตลอดในทุกิริยาบทก็ได้พุทโธพุทโธไปเพื่อจะไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่าง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 จะบาปไหมครับที่เข้าไปขัดขวางการกินอ๋อไม่บาปเหรอเพราะเราไม่ได้ไปทาเราไม่ได้ไปฆ่า ต, ว ต, ตัวตะกวนเราไปช่วยชีวิตจัดทำได้หมดแล้วครับอาจารย์หมดแล้วเลยเ็ดีนี่ฝนทำท่าจะลงแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวพระธาจะไม่สบายา อ, าอ๋อไม่เราไม่กลัวแร้เดี๋ยวกลัวญาติโยมจะกลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวจะติดอยู่ตรงนี้งนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะ จะมืดแล้วเนี่ยมืดฟ้ามัวฝนนะลมเริ่มพัดแรงนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธ อ, อ<า>เดินนะถ้าทางพายุจะมาแล้วเนี่ยลมเริ่มคืมละมืดฟ้ามัวฝนลนะ